ฝ่พระสงฆ์เดี๋ยวหลวงพ่อจะจัดวันนี้แหะจะให้องค์ไหนไปยังไงก็คงจะแบ่งเป็นสองกลุ่มที่ไปวัดหลวงปู่จามก็คงจะเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มของคุณแม่ชีแก้วขององค์จะอธิอีกกลุ่มหนึ่งเว้นเสียจะพูดพระที่สูงอายุก็เฝ้าวัดเฝ้าวาน่ะคงจะไปไม่ได้ไปลําบากไปกับโต๊ะโตเตะเตะลำบากให้ภาวนาให้ดูใจของตนเองนั่นแหละไปหาดูอย่างที่อื่นดูมาพอแรงแล้วล่ะ ผู้สูงอายุกูบาผู้เท่าพระผู้เท่าให้ภาวนาให้ต่อเนื่องยังไงจึงจะพ้นทุกเร็วเอาอย่างนั้นผ่าน้อยพระนห น, นุ่มพอจะจัดลบประสบประการณ์เพื่อการศึกษาเพื่อหาประสบประการณ์ก็ควรจะเรียนรู้นะสำหรับพระผู้เท่าเนะี่ยจะไปดูที่ไหนดูที่ใจของตัวเองดูที่ใจของตอนเองนะั่นแหะประเสริฐกว่าถึงจะทําบุญขนาดไหนข้างนอกกระสูทำ สมาธิชำระใจตนเองไม่ได้ชำระใจของตอนเองนะ่ะเลิศประเสริฐกว่านั่นแหละตรงนั้นแนหะที่จะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารที่จะไปดูอย่างนั้นมันไม่พ้นหอกมีแต่เพิ่มสัญญาอารมณ์เข้ามานะนะั่นน่ะถ้าไม่รู้จักปรับนะถ้ารู้จักปรับปรุงตนเองกันนั้นนะ่ะกัเป็นประสบประการแล้วว่าเป็นบุญเป็นกุศลเสริมแต่ถึงยังไงก็สู้ภาวนาไม่ได้ภาวนาเนะ่ยเลิศประเสริฐกว่า วันนั้นผู้อยู่วัดก็ตั้งใจภาวนาหมูไม่มีหมูน้อยเท่าไหร่ยิ่งสงบอ่ะยิ่งสงบสงัดเพราะสําคันธหมูน้อยเท่าไหร่ยิ่งไปทะเลาะ ก, กันนะนัแย่เพราะนั้นพวกเราท่านทางหลายนะอย่าให้มีอะไรให้ตั้งใจภาวนาของใครของเราต่างคนต่างดูใจแล้วไม่มีเรื่องแต่ตาต่างคนต่างส่งใจออกไปข้างนอกนะั่นนะแ<ะ>ปลว่าแกงเท้าหาเสียนเหมือนกันเถอะ แทงเท้าหาหนำหาหลักหาตอมก็ต้องเจอต่าว่าไม่แกงเท้าไปหามันก็ไม่เกิดนะไม่ไม่มีมันดูแต่ใจตนเองนะพวกเราทุกๆท่านนะพระทุกอง์พวกเราทั้งในครัวทุกคนนะนะั่นแหะผู้เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อทุกคนนะนะั่นต้องมีน้าใจต้องมีเมตตาต้องคิดในแง่เหตุผลมองคนในแง่เหตุผล อย่ามองคนในแง่ร้ายแต่ถ้าว่าเขาไม่มีเหตุผลดูแล้วมันร้ายจริงยังค่อยว่ากันเป็นทีมเลอจัดการเลยอภเปหตเลยแปลว่าคนไม่ดีเหมือนกับขาของเรามะเร็งกินขาของเรากินเท้าของเราอ่าพกแผดพวกหมอต้องไปชุมกันก่อนว่าเอาอยัางไรตัดทิ้งมันก็ต้องเลยตัดทิ้งต้องรวมกันก่อนปรึกษากันก่อน ตัดทิ้งต้องตัดทิ้งนี่ก็เหมือนกันคนไม่ดีหมู่ไม่ดีคนในประเทศไม่ดีต้องจับเข้าคุกเขาเกินไปก็เขาก็โทษประหารอย่างที่นั่นน่ะอันนี้เหมือนกันกลุ่มใดชุมชนใดกัลักษณะอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันอยู่ในวัดบาสศาสนาถ้าคนดีไม่มีปัญหาอยู่ด้วยกันแต่คนไม่ดีพระไม่ดี ก่อเรื่องก่อเลาาพี่แต่ใช้อารมณ์มันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนกันกลุ่มทั้งหลายก็ต้องจัดการนะปะเปหิคือไล่ออกจากวัดไม่ควรจะให้อยู่แต่ถ้าว่าเป็นคนดีเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาทางอกตั้งใจภาวนาทุกคนกับวขวอยคว้าหาทางพ้นทุกข์ของใครของเราบวชเข้ามาเพื่ออะไรไม่ได้บวชมาเพื่อแสวงหาภายนอกนะ ใครอแบบย่างบวชเข้ามาแล้วอยากจะได้สมบัติพัฒสถานภายนอกอยากจะได้เงินอยู่ทาไมที่นี้มันไม่ใช่สถานที่หาเงินเป็นสถานที่ภาวนาหาทางพ้นทุกข์ได้มากเพื่อปัจจัยสี่เพื่อเป็นหนทางให้ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็จบแต่ถ้าว่าเราอยากจะรวยนู่นไปทํามาค้าขายไปกีดยางกับเขาได้เงิน อันนี้เรามาหาธรรมเราขาดเหลืออะไรมีความจำเป็นอะไรไมีก็มีกองกลางอยู่แล้วเสนอขึ้นมาเวทเสียไม่เรื่องไม่เป็นเรื่องมีอะไรก็อยากจะได้หมดแสดงหัาใจของเราทาเยอทยานขาดหลักเหตุผลเกินความจำเป็นมันควรจะหักล้างใจของตนเองมันเกินความจำเป็น อันนี้จำเป็นไหมที่เราเป็นพระอย่างนี้จำเป็นไหมอย่างนี้จำเป็นมากไหมถ้าจำเป็นมากเออถ้าจำเป็นไม่มากเป็นเรื่องของกิเลสมันทะเยอทะยานเฉยๆห้ามนี่แหละการเป็นอยู่ของพระพระต้องเป็นอยู่ด้วยความอดทนขันติคือความอดทนอยากได้แต่เรื่องไม่เป็นธรรมไม่เอาอยากกินไม่เป็นธรรมไม่กิน อยากนอนอยากพูดอยากคุยถ้าไม่เป็นธรรมไม่ทำทั้งนั้นนี่แหละนะมดเป็นจึงจะเป็นพระได้ต้องใช้ขั้นติคือความอด ท, ทนจึงจะเป็นพระที่สมบูรณ์ได้ถ้าไปปล่อยตามอาเภอใจปล่อยตามมัทถาใจอยากจะโกรธอยากจะโมโหโโธโสนอยากจะทำอะไรทำตามอาเภอใจอันนั้นเป็นพระที่สมบูรณ์ไม่ได้บวชเข้ามากับไปตามกิเลส กิเลสพาไปมันไม่ใช่ทางของพระอริยะไม่ใช่ทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พวกเราดูตัวเองนะการอยู่ด้วยการการปฏิบัติธรรมถ้าทําอย่างนั้นได้อยู่ที่ไหนก็ดีทั้งหมดออยู่ลําพังก็ดีอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ดีอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ดีเอถ้าปฏิบัติตนได้อย่างนั้นเมื่อวาน วางศิลาเลิกวัดหลวงปู่เพียนวันที่21กุมภา53หลวงตาเป็นผู้มาเจิมแผ่นศิลาเห็นหลวงตาเมื่อวานแลวก็โอ้อายุหลวงตานะ 96-97 ปีแก่เต็มทนแล้วก็ป่วยนิ้วเท้าของท่านก็ดู ด, ดูแล้วหลังตีนก็บวมน้ำวานหลวงพ่อก็เข้าไปดูใกล้ๆนิ้วเท้า เว่าดีหายแต่ลุงพ่อไม่คิดว่าอย่างนั้นนะลุงพ่อว่าไม่มีที่ทางเลยที่ว่าจะหายแต่ลักษณะอย่างเท้าหลังเท้าวบวมแดงอีกต่างหากดูเหมือนจะเจ็บอีกต่างหากนะเห็นแล้วไม่รู้จะทํำยังไงเราก็ไม่ใช่หมอมีตามองแต่เห็นหจะทํำยังไงผู้ที่เขารักษาเขาก็รักษาอยู่เราจะไปเก่งกว่าหมอก็ไม่ได้ท่นี่เก่งเข้าไปก็ไม่รู้จะทํำยังไงอีกเห็น หลวงตาแล้วก็ไม่รู้จะว่า ย, ยัางไงหลวงตาเป็นเสาหลักเป็นร่มโพร่มไทรของภาคกรรมฐานท่านไปที่ไหนอบอุ่นที่นั่นถึงจะเข้าใกล้ห้ืเขาไม่เข้าใกล้ก็อบอุ่นเพราะว่าท่านขยายเป็นร่มโพร่มไทรสำหรับพระลูกพระหลานทุกองห้ท่านมาป่วย ตามอายุสังขารสังขารสังขาราอนิจจานสังขารเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าได้สำเร็จได้ตัดสูเเ้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่มีในตําราไหนมีแต่คนทุกวั น, นอุปโภกกันขึ้น เ, เข้าลีดนั้น เ, เข้าไปภาวนาะตรงนั้นแก้โรคภัยไข้เจ็บได้ มันพดได้มันโค่นชนะเฉยๆแต่พ้นที่สุดก็นั่นน่ะไปนอนตาเรื่อมแมพแมพอยู่ในโรงพยาบาลทุกคนไม่เห็นคนไหนที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายให้เห็นข้าพเจ้าเนี่ยอายุพันปีท่านเอ้ยพวกข้าพเจ้าปฏิบัติอ ย, อ, ย อ, ยตอย่างนู้นอย่างนี้ทําตนอย่างงั้นอย่างนี้เราไม่เคยเห็นน่ะเออหรือว่าต่อไปแล้วเขาอาจจะเก็บอยู่ในในทางไหนก็ไม่รู้เออแต่เห็นเห็นแต่จอดทุกไลน์เพราะนั้น คำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านว่าเกิดมาเท่าไหร่มันอยู่ใต้กฎอนิจจังของไม่เที่ยงทั้งนั้นอมันจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งสองพันกว่าปีเพราะนั้นพวกเราจะเหนือจากพระพุทธเจ้าได้อย่างไรมันเหนือไม่ได้หรอกท่านพูดมาไว้อย่างนั้นแล้วเป็นลำดับลำดับมาก็ไม่มีใครที่จะเหนือกว่านั้นอีกเราจะเป็นผู้วิเศษเหนือได้อย่างไร ขนาดพระพุทธเจ้าสยามภูรู้แจงโลกเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ขนาดนั้นก็ยังไม่เหนือเเพราะสังขารร่างกายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงไปตามอายุหมดอายุของมันตอนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเห็นแล้วก็เออจะเยียวยารักษาท่านได้อย่างไรที่จะให้ท่านอายุยืนที่สุดเท่าที่จะยืนได้เราจะหาหมอที่ไหนจะหายาที่ไหน พวกลูกศิษย์ลูกหาพวกเราท่านทางหลายเนี่ยนะก็ช่วยช่วยกันคิดคิดอ่านว่าเอาอยัางไงดูดูแล้วก็ท่านก็ไม่ได้สนใจเท่าที่เหมือนกับมนุษย์มนาของพวกเราเนะี่ยพวกเรานะโอ้ถ้าขนาดนั้นแเ้วคงจะอดอวยในการเก็บด้วยเวทนาแต่ในะท่านก็เฉยเฉยในะท่านก็มองมองดนะูเห็นแล้วก็ไม่รู้จะว่า ย, ยัางไง หลวงพ่อเห็นเมื่อวานนะหลวงพ่อเขนั่งเขาไปนั่งใกล้ท่านเมื่อวานไปดูดูเห็นแล้วก็โอ้การเจ็บไข้ได้ป่วยหลวงปู่หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพวกเราท่านทั้งหลายนะรีบเร่นประกอบคุณงามความดีขณะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังอยู่นะพยายามนะพวกเราช่ว ย, วยกันภาวนาจะทํายังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสาร ให้เร็วที่สุดทันหนะดีพยายามพราะแม่ครูบาอาจารย์เป็นแต่ร่มโพ ร, ร่มสยของพวกเราท่านจะทำยังไงได้ท่านก็อยู่ในกฎอนิจจังคิดว่าหลงปู่แกแล้วมากแล้วพวกเราจะอยู่ไปอีกนานอย่าไปาคิดอย่างนั้นพวกเราก็พร้อมที่จะใจขาดตายได้ทุกเวลาอีกเหมือนกันไม่มีใครรับประกันชีวิตของเราได้มีแต่เขาประกันเอาเงินนะัะประกันชีวิต ปรกันไม่ให้ตายไม่ไม่เห็นมีใครพูดผมปรกันไม่ให้คุณตายนะไม่มีหรอกนี่แต่ว่าเมื่อคุณตายไปแล้วคุณจะได้เงินนะั่นแหละเอารับพร อ, อนุมโมทนาให้พร